อะไรยิ่งกว่าการประกอบความเพียรเพรื่แก้ผีแก้ญาติอยู่ภายในจิตใจนะเนี่ยออกไปนะมาก็บแบกกิเลสมาอยู่แล้วันจะต้องมาสั่งสมกิเลสกันอยู่ในสถานที่ที่ควรชำระกิเลสนั่นเหรอถ้ามันเข้ากันได้ยังไง เดินดันด้านอืดอืดอาดอาหน่อยน่ายอง น, นี้มันเรื่องของทิเดตทั้งมวลเหยียบอยู่บนหัวใจคนบนกิริยามารยาทของคนที่แสดงออกมิตรทิเดตบ่งบอกออกมาทั้งนะั้นทำบ่งบอกมาที่ตรงไหนมองดูแล้วมันขวางตาทุกทีฟังกันยังขวางหูอีกไนะ เคยพูดอยู่แล้วว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนแต่เิดมาตั้งใจแก้กิเลสก็ตั้งใจสิแต่มากิเลส จ, จูงจมูกอยู่ได้ยังไงมันลากมันถูไปอยู่ตลอดเวลาทุกอญาตบทนี่เรื่องกิเลสมันลากมันถูเอา ถ้าธรรมดาแล้วมันถลอกปอกเปิืกมันขาดก็ได้เหมือนอวัยวะทั้งหลายเหมือนสิ่งทั้งหลายกระทบกระเทือนแล้วมันมีอวัยวะที่ไหนพวกเราพราแะแม้แต่กระดูกก็ขาดสบั้นไปหมดแล้วเพรอกิเลสมันลากมันถูมันลากมันจูมยังไม่ทราบอยู่เลยเวลานี้เราจะเอาอะไรไปแก้กิเลส จอจเากิเลสไปแก้กิเลสเหรอเคยได้ยนินไหมกิเลสแก้กิเลสมีที่ตรงไหนนอกจากทาแก้กิเลสเท่านั้นมีเวลามากเขามากค่อยเริ่มเริ่ลเลอะเลอเทอะเอเทอะเไปเรื่อยๆเลย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆนะดูอยู่ทุกระยะทาไมจะไม่รู้ถ้เรียนเรื่องธรรม ปฏิบัติธรรมเพื่อดูกิเลสทำไมจะไม่รู้เร่งกิเลสมันแสดงออกนอกจะไม่สนใจกับกิเลสกับธรรมนะมันเตีเ้ยกิเลสมันเหยียบเอาเหยียบเอาอย่างลมน้ำร้อนนี่มันหัวสมมอยู่ตลอดเวลานะใครมีเะไจะฉันแล้วก็ทันพักรีบหนีที่ทำการทางนานเันเจ้าของสมานาธรรม นี่เราอารมณนะ์นั่นเรื่องน้ำร้อนน้ำชาเหล่านี้แต่ก่อนไม่ได้มีอ่ะมันเพิ่งมาอารมณนี่มันได้เลยอารมไปแล้วจะกลายเป็นอนุแหละไปอย่าอเงี้ยเอออะไรไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะอันนี้ชันพอยาๆไปเลอกๆน้อยๆไปไอย่างเงี้ยไม่ถือเป็นจริงเป็นจังอะไรจะกลายเป็นจริงเป็นตังขึ้นมามันไม่ได้ชั้นอยู่ไม่ได้ จะตายไปแล้วนั่นนั่นความเพียรไปยังไงความเพียรด้อยอยู่ได้ไหมด้อยเท่าไหร่ยิ่งอยู่ได้ยิ่งนอนจมนั่นมันทันกันนะกัปตีนเดชท่านเป็นอย่างนั้นแต่เคยบอกอยู่แล้วเด็มันจมอยู่หัวใจมากี่กลับกี่คันงแล้วเป็นของแก้ยากนะ ต้อง ใ, ใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความภาคเพียรอย่างเป็นเม็ดเต็มหน่วยไม่เหมือนความเพียรในกิจการงานใดๆความเพียร เ, เกี่ยวกับเรื่องของกิเลสต้องเป็นความเพียรที่หนักแน่นเป็นความเพียรที่ละเอียดสุ ข, ขุมใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาทุกแง่ทุก ม, มุมมันจึงจะทันกิเลสถึงจะแก้กิเลสได้นะด้วยเห็นนี้เองจริงไม่มีวิชาแขนงใดที่จะมาแก้กิเลสอกอกจากหัวใจของคนและสัตว์นี้ได้นอกจากวิชาธรรมเท่านั้น ละเอียดไหมเก่งไหมกิเลสแหลมคมไหมไม่มีวิชาใดแก้มันได้ฟังสิในสามแดนโลกธาตุนี่ไม่มีวิชาใดเลยที่จะสามารถแกกกิเลส ต, ตัวขนาดแหลมคมตัวร้ายกาศตัวเป็นยักษ์เป็นผีเหยียบย่ําหัวใจกัดฉี่กจิตใจของสัตว์โลกมาเป็นเว ล, ลานานแสนนานไม่มีวิชาใดจะแก้มันได้ทําลายมันได้นอกจากวิชาธรรมเท่านั้น โดยเห็นนี้จึงทำให้ลระอาจารย์พระพุทธเจา้าผู้เป็นองค์ประกันของสัตว์โลกทั้งหลายด้วยความเสียสนะบเป็นตายทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ไม่สูงอะไรเสียดายเลยอาอันใันใครจะมีความรักความชอบอะไรพระองค์ก็มีหัวใจเหมือนกันต้องมีความรักชอบเกี่ยวพันห่วงใยเหมือนกัน แต่ก็ยอมเสียสนับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่คูมัดหัวใจได้อย่างแน่หนามัมนคงออกไปเมื่อออกไปแล้วก็ยังไม่แล้วยังต้องได้รอบกันอยู่อีกแทบเป็นแทบตายพระประวัติก็บอกไว้แล้วเป็นของง่ายไหมน่ะอนจะเป็นศาสดา สันโลกเป็นผู้ประกันชีวิตของโลกเอาชีวิตของโพมกเป็นผูประกันเลยที่จะรับรองสั์โลกขนสัตโลกให้พ้นจากเรือนจำคือวัตถจั้นยากหรือไม่ยากเราพิจารณาสิถ้าจะเป็นนักถ้าเป็นนักปฏิบัติต้องพิจารณาในสิ่งเหล่านี้ด้วยอย่าว่าจตเพียงพุทธทางสนางอาฉามิ เพียงปากพูดมันเลยมันจะเกิดประโยชน์อะไรเพราะมันยังถึงจิตถึงใจยังถึงปฏิบัติทาเครื่องดําเนินของโพ์เป็นแบบเป็นฉบับได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็นแบบฉบับที่จะแก้ที่แก้กิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เป็นแบบฉบับที่สั่งสมกิเลสกรอบกลักิเลสขึ้นมาเหยียบย่ำทําลายหัวใจแต่เป็นแบบที่ถอดถอนกิเลสข่าฟันกิเลสเอาให้กินาชิพหายไปนั้นจนได้กลายเป็นศาสดาของโลกขึ้นมาในท่ามกลางแห่งความมืดบอดในวงวัตจักรนี้ ยากหรือไม่ยากนี่เราวิชานี่เนี่ยใครตะคุนไปขุดค้นมาได้มีไหมมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นขุดค้นวิชาขึ้นขึ้นมาหรือถอนพระองค์และสัตว์โลกได้เรื่อยๆมายากหรือไม่ยากพม่ใช่ยาสิมันขนาดไหนยีเียนเอาเทียบกันสิมีทำเท่านั้นจะแก้ได้นอกนั้นไม่มีทาง เเป็นเครื่องมือของมันทั้งหมดไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะสังหารทำลายมันเป็นเครื่องมือให้มันทั้งนั้นนี่เราตั้งหน้าตังตามาเพื่อปฏิบัติแล้วทำไมจึงไม่ดำเนินถึงไมยถึงไม่คิดถึงเรื่องความเสียสละของพระองค์จนถึงชีวิตจิตใจจะตายก็ ย, ยอมเสียสละแล้วได้ทำมาสอนโลกสอนพวกเราเพียงล้างมือเปิดเท่านี้ยังเป็นไปไม่ได้แล้วทำไง เราจะหวังผลประโยชน์อะไรความเป็นอยู่ของเราอย่างเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเกิดประโยชน์อะไรจะควรนาไปแข่งพระพุพะทธรรมพระสงฆ์ได้ไหมความเป็นอยู่ของเราอยู่ทุกวันนี้มันมีแต่เรื่องของกิเลสเป็นค่าศึของธรรมเป็นกิเลสค่าศึกของตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยที่จะตัวไม่รู้ทั้งๆ ท, ง ท, ง ท, งที่ประกอบความภาพเพียรอยู่นั่นแหละียาบททั้งสี่เคลื่อนไหวไ ป, ไปมาอะไรมันมีแต่กิเลส ชักจูงให้เคลื่อนให้ไหวไม่ใช่ทำชักจูงให้เคลื่อนให้ไหวถ้าว่าเป็นเรื่องของทำชักจูงให้เคลื่อนไหวแล้วควรจะมีสติควรจะมีปัญญากิเลสควรจะถลอกปอกเปิืกไปบ้างอย่างอย่างน้อยถลอกปอกเปิืกมากกว่นั่นกิเลสพังทลายเพราะสติปัญญานี้ไม่เคยล้าสมัยมาแต่ไหนแต่ไรความภาพเกี่ยวนี้พระองค์เคยใช้มาแล้วสติปัญญาเขเคยใช้มาแล้วทั้งนั้นเห็นผลประจักษ์พระทยัยถึง เด็ดประกาศพระองค์เป็นศาสดาสอนโลกและสอนโลกได้ทั้งสามโลกธาตุนี่เพราะอํานาจแห่งธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นเดีย๋ยวความเป็นอยู่ของเราทุกวันนี้มันเป็นยังไงได้ไปเทียบไปเทียงบ้างหรือเปล่าถ้าไม่เทียบเทียงก็นั้นแหละคือนอนให้เกลียดเยียบจมูกนั่นถ้านําไปเทียบเคียงบ้างแล้วก็จะได้รู้สึกเนื้อรู้สึกตัวแล้วจะได้ดีเบ่งขวัญขวาย เพื่อเพื่อทําเพื่อการแก้ปัญหาถอนยิงเลยแล้วจะเห็นความแปลกประหลาดภายนจิตใจขึ้นมาซึ่งต่างจากกิเลสที่ครอบครองหัวใจบีบบังคับหัวใจมาแล้วตั้งแต่การไหนอยู่โดยลําดับลำดัและรู้เรื่องของระหว่างกิเลสกับธรรมได้อย่างเต็มหัวใจแล้วสงสัยอะไรเวลานี้จะได้อะไร ตาเขาเคยได้เห็นมาแล้วตั้งแต่วันเกิดรูกเดียงสาวภาวะมามันได้ประโยชน์อะไรหูก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วจมูกลิ้นกายและสิ่งสัมผัสสัมพันธ์เหล่านี้เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแล้วมันได้ประโยชน์อะไรถ้าจะปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันเคยเป็นมาแล้วนี่เอาสิ่งที่เคยเป็นมาแล้วนี้มาเทียบดูสิมันได้ประโยชน์อะไรบ้างเวลานี้เราต้องการจะสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอันเป็นเครื่องมือของใจนํามาใช้ในทางด้านอัตถธรม ดูให้เป็นธรรมฟังให้เป็นธรรมทุกๆุกสิ่งทุกอย่างที่กรรมฐานสัมปัน totally. ให้เป็นธรรมนี่ถ้าพู้ปฏิบัติต้องพลิกสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือไม่ใช่กิเลสโดยทายเดียวแต่อาศัยกิเลสเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้สิ่งเหล่านี้มีอาการเคลื่อนไหวต่ตามอำนาจของมันเท่านั้นนี่จะนําสิ่งเหล่านี้เครื่องมือเหล่านี้กลับเข้ามาเป็นฝ่ายของธรรมให้เป็นเป็นเครื่องมือของธรรมเอานํามาใช้ที่สติปัญญามี อยู่เฉยๆทำไมระหวังเอาผลประโยชน์จากสถานการเวลาแบบเหลมๆแรงๆยังไงกันถ้าไม่หวังเอาจากความภาพเปลี่ยนต้งตนมันด้อยที่ดูไหนขุดค้นลงไปพยายามส่งเสริมลงไปด้แต่ผู้ต้องการจะหลุดพ้นจริงๆก็ต้องหลุดพ้นโดยไม่ต้องสงสัยเพราทํานี้ไม่เคยล้าสมัยเป็นมัตชิมาพร้อมเสมออมัตชิมาเห ม, ม, มาะสมตลอดเวลาไม่ว่าจะนําไปปราบกิเลสชนิดใด ตันงแต่ยาสุดจนกรทั่งถึงละเอียดสุดไม่นอกเหนือไปจากมัชชิมาทำนี้ก็ได้เลยเรียกว่าทำเหมาะสมมัชชิมาแปลว่าเหมาะสมในการปราบที่เลสทุกประเภทอยู่ไปอยู่ไ ป, ไปวันหนึ่งวันหนึ่งกินไปนอนไปแม้ต่สัตว์เขากินได้นอนได้แต่ว่าแต่มนุษย์ทั่ ว, วไปย่นเข้ามาถึงตัวของเร า, เรากินได้นอนได้เลยมันมีความแปลกพระหลาดอะไร ต่างจากโลกอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่โลกทําได้ทั่วๆไปมีความจําเป็นอยู่ด้วยกันสิ่งเรามาสอบแสวงหาเวลานี้เราไม่หาอย่างนี้นี่เราหาแบบพระพุทธเจ้าหาแบบพระสงฆ์สาวกเพื่อจะเห็นธรรมอันประเสริฐเลิศโลกนั้นขึ้นภายใน จ, ใจิตใจเพราใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสสัมพัสธรรมรู้เห็นธรรมหนักเบา ยึกตื้นหลับอย่าไปเอะเคี่ย่ไหนจนอกเหนือจากใจเป็นไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่ใช่ภาชนะสําหรับที่รับรองที่จะให้รู้ให้เห็นอัตธรรมเป็นภาชนะอันดีของอัตธรรมนอกจากใจดวงเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมจะมีอยู่ขนาดไหนนานเท่าไหร่มากกี่กับกี่การข้อตามถ้าลงเป็นคนใจบอดแล้วมันเท่านั้นอย่าว่าจะเพียงกี่กับกี่การให้เลยไปอีกกี่กับกี่การมันก็ไม่มีทางทราบได้เหมือนคนตาบอดตั้งแต่กําเนิดนึง จนกระทั้งวันตามันก็ ม, มีปันที่มองเห็นมันจะมองเห็นทั้งๆ ท, ท, ที่มันตาบอดได้ย่างไงก็มันตาบอดจะมองเห็นยังชิ่งทั้งหลายมีอยู่ทั่วไปในโลกมันก็ไม่เห็นคนตาดีแล้วเห็นทั้งนั้นหูดีได้ยินทั้งนั้นเพราะสิ่งอย่างนี้มีอยู่ไม่ได้ปิดบงังเมื่อมันเหมาะกับวิสัยของอวัยวะใดาที่จะรับทราบได้มันรับทราบทั้งนั้นทั้งนั้น แต่ทมนี่จะไม่มีอะไรที่จะรับทราบได้นอกจากใจดวงเดียวเพราะฉะนั้นจริงต้องดรับปรุงจิตใ จ, จให้เหมาะสมกับทมขั้นนั้นนั้ที่จะเข้าสู่กันได้สัมผัสสัมพันธ์กันได้สถิตยอยู่ภายในจิตใ จ, จได้นับตั้งแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปสมาธิธรรมคือความสงบใจปัญญาธรรมคือความละเอียดละออความแยบขายการพิิพิจารณาความเฉลียวฉลาด แก้ตัวเองเห็นสิ่งที่เป็นภัยจากตัวเองแก้สิ่งที่เป็นภัยกับตัวเองโดยดำดับตำดานั่นแหละทีนี่สมาธิฐานใจไม่เคยสงบก็สงบได้นี่ที่เราเคยอ่านเคยจดจามาตามตำจากตำหรับตารามเท่ทาไรใครเขาจาได้เหมือนกันสมาธิสมาธิสมาธะสมาธะแต่มันไม่เคยมีสมาธิไม่เคยมีสมาธะภายในหัวใจเพราะใจไม่รับ รับจะชื่อเป็นความจำเฉยๆมันไม่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับใจเพราะการปฏิบัติจริงัน้นจริงไม่รู้ไม่เห็นาศาสนาของพระเจ้าเลยกลายเป็นตํำรับตําราเป็นขนาดเศษไปหมดเป็นตัวหนังสือเป็นตัว อ, อักษรเฉยๆไม่มีความแปลกประหลาดอะไรเลยก็เพราะคนไม่แสดงควา ม, มแปลกประหลาดไม่ความไม่แสดงความกระตือรือร้นในการที่จะปฏิบัติตามหลักแห่งโรัทธาธรรมนั่นสิแล้วสุดท้ายอะไรไร้ค่ า, าศาสนาไร้ผลอืม ศาสนานั้นอยู่ที่ไหนอะไรไร้ค่าถ้าไม่ใช่มนุษย์นี่ไร้ค่าเราเองเป็นคนไร้ค่าอืมไร้ความภาคความเพียรไร้สติไร้ปัญญาอืมไร้ศรัทธาความเพียรทุกด้านแล้วจะไม่ไร้มรรคผลนิพพานได้ยังไอืมสมาธิก็ไร้ตะสิเมื so an, ่อเหตุเป็นเครื่องหนุนไม่มีเป็นเครื่องบูเบิกไม่มีสมาธิจะเกิดขึ้นได้อย่างไงปัญญาความฉลาดก็ได้ยินแต่ชื่อจำได้แต่ชื่อ ตัวใจของตัวโง่ยิ่งกว่าสัตว์แล้วเอาอะไรมาฉล า, าดแล้วกิเลสมันฉล า, าดมันโง่หรือกับความโง่ของเรามันเท่ากันได้หรือกับกิเลสตัวฉล า, าดนั้นแล้วนํามาใช้ที่ผู้ปฏิบัติทำถ้าลงกิเมันฉล า, าดแล้วกิเลสมันจะหนาแน่นายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี้ก็เธอยังไงมันก็พังตลาดพระพุทธเจ้าตรัสรู้ถ้าสงสารว่าในสมัยปัจจุบันของศาสนาของพระุทธเจ้าเหล่านี้ ประกาศกรังวานมาเป็นเวลาได้สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วนี่คือความกลางวานแห่งความแจ้งความชัดแห่งของจริงทั้งหลายที่กล่าวมานันแล้วศาสนาจะเป็นโมค้ะได้ยังไงนอกจากเราเท่า น, นั้นเป็นเป็นโมคะไร้าสาระทำอะไรที่จะเป็นสาระมันไร้ไปหมดกิเลสทพาให้ไร ศานากันเลยมีแต่ตำหนักตำราผลตุลาการกิเลสมันไะเหยียบศาสนาเขาอีกว่ามรรคผลนิพพานไม่มีือใครจะปฏิบัติไปถนายก็ปฏิบัติไปเถอะอืสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีมันไม่มีแหละสําหรับโมคะผู้หลุดโมฆะสตรีคนนั้นมันจะมีได้อย่างไงอืรก็มันไม่เคยสนใจกับอัตถกธรรมไม่สนใจกับการเพื่อปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานแล้วจะเอามรรคผลนิพพานให้เกิดมีขึ้นมาได้อย่างไงมรรคผลนิพพาน ไม่ใช่ลมไม่ใช่แรงพอตีมพัดนน้นโชยนี้ไปอย่างนั้นมันเกิดขึ้นด้วยความมีเหตุเปิดออเคมันมืดมิดปิดตายที่ไหนตรงไหนที่มันรกรุงรังสถานที่ใดมันจะรกรุงรังขนาดไหนก็ให้มันรกรุงรังเถอะถากถางฟาดปันเข้าไปไฟเผาเข้าไปความเปลี่ยนโลกมันจั่แสดงขึ้นโดยดําๆ ด, ๆ ด, ๆดัะน่นแล้วความเปลี่ยนโลกมันหมดสมัยแล้วเหร อ, หรอมันหมดสมัยสำหรับคนขี้เกียจอืม ถ้าลงถงลงถางลงไปแล้วความเตียนโล่งมันก็ปรากฏขึ้นในสถานที่เราโลกนีน่เวลานี้จีดมันโรกตัวกิเลสตัณหาอาสวะแล้วไม่ถากไม่ถางมันด้วยขอวัดปฏิบัติโดยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาสิ่งที่มันรรครุนแังคือกิเลสทุกประเทียดนั่นมันจะเสียสลายตัวไปได้ให้กลายเป็นความเตียนโลกขึ้นมาได้อย่างไรท่อเราทํามเข้าปัดแต่กว่าไป พลาดไฟันมันไปโพลเป็นาศาสนาเอกก็รู้อยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าคือาศาสนาองค์เอกธรรมก็คือธรรมอันเอกศาสนาธรรมอันเอกที่เที่ยวตรัสมาแล้วด้วยสุขข า, าธรรมตราสไม่ชอบทำให้ดีทำให้ดีนิยานี้ก็ทําพร้อมเสมอที่จะนําจัดโลกผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลําดับลำดั บ, ด บ, ดบจนกระทั่งพ้นโดยสิ้นเชิงนี่มัชชิมาธรรม เหมาะอยู่ตลอดเวลานี่แล้วเอามรรคผลนิพพานว่าหมดหมดมันหมดไปไหนมันหมดด้วยอํานาจของความมืดบอดของคนมีกิเลิตไม่สนใจกับธรรมต่างหากนี่ผู้ที่ว่ามรรคผลนิพพานหมดผู้เช่นั้นแหละคือมันไม่ได้สนใจกับธรรมมันหมดจริงสำหรับตัวของมันผู้ปฏิบัติอยู่ก็ศาสนามม่นด้มีใครเป็นผู้ผูกขาดใครเป็นเป็นเจ้าอํานาจมาผูกขาดศาสนาเมื่อไหร่ ทายปฏิบัติก็ได้แล้วสีสาศาสนาธรรมเป็นสมบัติกลางแม้แต่อยู่ในวงวัดนี่ก็เอาที่ความภาเพียรต้องการมีความยิ่งหย่อนต่างกันผลจะเป็นต่างกันอย่างนั้นเราจะว่าแต่จะทั่วโลกกระท่า น, นี้เลยในหัวใจของเรานี่ก็เหมือนกันเวลามันจะหมดก็เพราะกิเลสเหยียบย่ทำทําลายมันท่ามันหมดมันหมดความเพียรมันขี้เกียจขี้ค้านก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดมันก็ทําลายทำทั้งนั้นสิ่งที่ควรจะเกิดที่มีขึ้น อันเป็นสิ่งที่พึงใจมันไม่มีนี่จะปล่อยให้กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอาเอาโดยตัวตัวเองไม่รู้นั่น่านกล่าวไว้กล่าวไว้เพื่อให้รู้ให้เห็นแต่แท้ไม่ใช่กล่าวไว้เพื่อหลอกลวงสัตว์โลกนี่อ่าใช่ไสมาธิกว่ดี ปัญญาก็ดีวิมุตต์ก็ดีหรือว่าความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็ดีไม่นอกเหนือไปจากวงความเพียรที่เป็นไปด้วยธรรมมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นต้นนี้ไปได้เลยผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรให้จิตได้เหินห่างจากนี้ถ้าเป็นผู้ต้องการใกล้ชิดสนิทกับ สมาที่ปัญญาและมาผลานิพพานทุกๆุกขั้นไปจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์จะไม่นอกเหนือจากสสวขาธรรมและการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมนี่เลยนี่เอาอันี่เป็นหลักสิเราได้ถือประชาชนชาวเมืองที่มูราขี่มาแห้งสนังกรฉามีที่ไหนทั้งตะวันบวชมาก็พุทธทางธรรมังสังฆ์ทางสนังกรฉามีนี่เอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายเป็นที่เคารพนับถือเป็นที่ฝากเป็นฝากตายด้วยความเชื่อถือจริงๆทําไมจะเป็นไปไม่ได้ โดยการปฏิบัติของเราพระพุทธเจ้าปฏิบัติทำไมาดุดพ้นสาวกขนาดปฏิบัติด้วยธรรมที่ทรงสอนมาแล้วนี้ทําไมหลุดพ้นเหตุเราทำไมเราปฏิบัติมันจึงไม่หลุดพ้นมิน้ําท่ามการเครื่องปุ่ ม, มัดตัวเองไปเป็นอะไรก็เพราะปล่อยให้กิเลสเข้ามาเหยียบย่ําทําลายในวงความเขียททนทั้งๆที่เจ้าของระว่าเข้าใจว่าความภาคเดียวนั่นแหละแต่ไ้่มีสติสตังไม่มีปัญญาเพราะจะรู้เท่าทันเรื่องกิเลสความแท้ของกิเลสซึ่งเป็นของละเอียดมากที่สุดมันจึงไม่ได้เห็นเรื่องเห็นราวอะไร เคยมาจนน่าสลดสองเมตรบางครั้งบางคราวที่เด็ดมันเยียบเอาเยียบเอาจริงๆพยายามเท่าไหร่มันก็ไม่ฟื้นจึงหนีจากครูอาจารย์ไม่ได้ไปอยู่ลําพังคนเดียวแทนที่เราจะประกอบความาพเพาเพี้ยนในระยะที่เรายังไม่ได้หลักหินหลักใจไปทําความเพเพี้ยนแทนที่จะเป็นสติให้เป็นปัญญาเป็นความเพี้ยนมันเป็นไปไม่ได้ถูกมันฉุดลากเอาต่อหน้าต่อตาเห็นชัดๆรู้ชัดๆเคยเป็นมาแล้ว เป็นที่เข้าใจอันหนึ่งว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะหนีจากครูจากอาจารย์ไม่ได้เวลาอยู่กับครูวาอาจารย์เพราะอำนาจของท่านความเชื่อความเคารพความงสงศัยท่านก็เป็นความร่มเย็นเพราะอนุภาพแห่งธรรมของท่านด้วยทําให้อบอุ่นอากนั้นก็ได้ยินได้ฟังการแนะนําสั่งสอนหนักเบาตลอดถึงการดุด่าว่ากล่าวใจตามกิริยาของกิเลสที่แสดงออกสัมผัสสัมพันธ์ในระหว่างผู้ไปศึกษากับท่านนั้นก็ได้ สติสตะบางขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมันมีหลักหลักจิตนั้นตั้งแต่สมาธิเป็นไปเป็นเริ่มมีหลักจากนั้นก็เป็นขั้นปัญญาพอจิตสงบแล้วมันก็เย็นคนเรามีเกาะมีดอนเป็นตีพึ่งเพียงเป็นที่อิงอาศัยถ้ามาหาความสงบไม่ได้เลยเราจะหวังอะไรในโลกนี้ แต่พะ อ, อย่างยิ่งเพศของพระและเพศของปฏิบัตินี้ด้วยแล้วเราหวังเอาอะไรเพลงฟังไปหมด จ, จิตใจหาทําเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะให้ได้สมารถที่ทำก็ยังมีคือความสงบนิดหน่อยก็ไม่มีนั่นมาไปตอนนี้ทำมันลําบากจึงต้องได้หักโหมกันอย่างเต็มที่พ่อสุดพอทรมานแบบไหนต้องเอากันเป็นอย่างอดนอนผ่นอาหารเนี่ยมัน เป็นเหตุให้ทำก็พอ่อมันไม่สาเหตุที่จะต้องทําเพราะเรื่องของธาตุของขันนี่มันทับกิจใจได้เมื่อมันเป็นกิเลสมันก็กลายไปเป็นไปหมดมันมีกิเลสมีกำลังมากสิ่งที่เสริมมีมากมันก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นไปมีอะไรที่ได้อดอาหารผ่อนอาหารลงไปเพื่อกำลังทางนี้มันจะไม่รุนแรงมากนะ สติปัญญาก้าเดินออกหน้าแล้วก็พิจารณาตัวเองไปในแง่หนักเบาของความเพียรในแง่แนหนักเบาของวิธีการฝึกทรมานตนพอจับได้เงื่อนใดเป็นพอเป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ต้องเ่นเน้นหนักเข้าในเงื่อนนั้นในวิธีการนั้นแล้วจิตมีความสงบเย็นใจกับที่นี่ก็โลอ응 เพาความสงบของจิตนี่มันไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายในสิ่งที่เป็นพิษเต็มภยัยจะอยู่สบาสมัยรื่นหนึ่งี่ปัญญาเมือ่อในนามาพิจารณาค้นคว้าก็ค้นควา้าค้นวคนว้าในตัวของเรานี่แหละเป็นอันดับหนึ่งร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนพิเลตมันตากมันเสียบมันแทรกมันซึมเข้าไว้หมดหอว่านั่นก็เป็นเรานี้ก็เป็นเราหมด ทั้งล่างนี้ก็เป็นเรามันไปแย่งเอาดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นส่วนผสมของธาตุนี้มาเป็นเราเป็นของเรามาเป็นของสวยของงามมันไม่ยอมพูดตามความจริงมันไม่ยอมบอกตามความจริงแต่พระพุทธเจ้าท่านจึงได้ประกาศทาเครื่องปราบกิเลสตัวจอมปลอมที่ไปปับเสียบนี้ ออกได้โดยวิธีการว่าเตี๊ซาโรมานะฆ่าธันตาตะโจนี่นะเอ า, เอาพิจารณาให้ดีนะเนี่ยผมผนและฟันหนังมันเป็นยังไงมันมีเสีดวิสูที่ตรงไหนถ้าดเดิมขอมันก็คือธาตุดินทแท้แล้วเมื่อมาอยู่อย่างนี้มันมีเสีดวิสูที่ตรงไหนเวนลาว่าสวยว่า ง, งามมันสวยงามที่ตรงไหนดูให้มันเห็นความจริงของมันความสวยงาม น, นี่เป็นเรื่องของเจตเดหลอกเอาพิจารณาตามความจริงไปมันมีความสวยงามที่ตรงไหน หมดทั้งล่างหาความสนับไม่ได้นอกจากเป็นของปฏิกูลโสคโคกเต็มไปหมดน่าอีกหนาและอาใจน่าขายะแขยงเพราว่าขางนอกขางในมันเป็นเหมือนเดียวกันเป็นเป็นเหมือนกันยิ่งเข้าไปป่าช้าด้วยแล้วเป็นยังไงน่าสุดดสังเวชไม่น ใ, นใครจะไปมีความลื่นเริ ง, เรงมันเทิงในป่าช้าซึ่งเป็นสถานที่สกรปรกส ม, มมที่สุดเป็นสถานที่ หน้าตรงธรรมสังเวชความเป็นความตายได้ที่สุดแล้วก็มาดูในวิญญาของเราทีา่มันมีอะไรมีลมหายใจเป็นผู้รับผิดอมีความรู้คือใจเป็นผู้รับผิดชอบภระสประสานไม่เท่านั้นสิ่งใดที่มันเป็นยังไงมันก็เป็นอยู่ตามหลักธรรมชาติทั้งหมดเราสมมุติว่าหนังมันก็ไม่รู้ว่าเรามันเป็นหนังสมมติว่าเนื้อเอ็นกระดูกมันก็ไม่ได้ว่ามันเป็นเนื้อเป็นกระดูกจิตหลักไปสมมุติจิตที่เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลส มันแทรกมันไปสมมุติมันหลอกมันต้มมันตุ่นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มเป็นอวัยวะขึ้นมาเพราะความมีความรู้สึกมกระยัตของปลองเข้าไปให้อืมอันนี้ของเราณอันนั้นของเรานะแขนของเรานี่ขาของเราอวัยวะมือของเราหัวของเราอืผมของเราเล็บของเราขนของเราฟันของเราหนังของเราเข้าไปอวัยวะทุกจัตทุกส่วนมันว่าเราเป็นว่าของเรานอกจากนั้นมันยัง รอเข้าไปอีกว่าเป็นของสวยของงามน่ารักให้ชอบใจนั่นมันมีแต่กิเลสรุนรานอันนี้เนี่ยเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้อมันจริงเมื่อไหร่มันปลอมทั้งนั้นถ้าปลอมทั้งนั้นแล้วคือกิเลสทั้งหมดด้วยนี้จริงต้องได้ใช้ธรรมต้องเป็นของจริงพิจารณาแยกแยะลงให้เห็นของจริงเนี่ยพิจารณาด้วยปัญญาจนเห็นตามเป็นจริงมันทุกสัตว์ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัุภระก็เห็นประจักใจ มันว่าจะเป็นดีจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นธาตุอะไรๆมันก็ลงถึงใจถึงใจก็ปล่อยวางลงตามความจริงท้องใหมทีนี้ไม่ไปยึดไม่ไปถือว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นของสวยงามเพราะมันมันปลอมทั้งนั้นแล้วไปเอาของปลอมได้ยังไงเมื่อพิจารณาลงด้วยปัญญาซึ่งเป็นของจริงแล้วมันก็ทราบของจริงขึ้นมาก็ปล่อยของปลอมไปเรื่อยๆทรงว่าตั้งแต่ความของจริงของจริงเบื้องต้น่หนือธานก็ปล่อยได้อืม ความวุ่นวายความทุกข์ทั้งหลายมันก็เกิดพุ่งพราะความหลงออกจากนั้นก็เป็นอันดับต่อไปความยึดความถือแล้วความรักรักใครก็รักใครชอบใจความรักความสงวนนี่มันเป็นบอยแห่งเสี่ยงแห่งน้ําแห่งฟืนแห่งไปถอดถอดลงไปช้าล้านลงไปด้วยน้ำคือสติคือปัญญาพิจารณาหลายครั้งหลายหงจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วใครจะไปยอมยึดมั่นถือมั่นอยู่ได้จิิงหล่านี้มันเป็นหลักธรรมชาติของมันอย่างนั้นแท้ ถ้าพูดถึงขั้นอสุภอสุภังปฏิปุลโสโกก็เห็นประจักษ์ชัดๆหลอกกันได้ยังไงถ้าพูดถึงเรื่องความแตกความสลายความทลายความชลาขําคขามันก็เห็นชัดๆในรูปของคคคนเดียวเช่นเรานี่มันเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่แล้วจนกระทั่งถึงบัดนี้เปลี่ยนไปเท่าไหร่มันจะเปลี่ยนไปจนกทั่งถึงขี่สุดของมันแล้วก็ลงสู่ธาตุเดิมเของใหม่จะประยุท์เอามันเอาเอามันด้วยเหตุผลกันกับอะไรทําให้จันเป็นเรื่องฝืนของจริงทําเป็นไปตามความจริงกิเลสต่างหากเป็น สิ่งที่ฝืนทำเป็นสิ่งที่ฝืนความจริงพยันชนะเห็นชัดลงไปแล้วมันถอนทั้งหนังความหนักหน่วงทวงใจความทรมานใจเพราะอำนาจของกิเลสก็เบาลงไปบลงไปเพราะภาระคืออุปาทานยึดมัน่นถือมั่นนั่นันเบาลงไปเบางไปจนกระทั่งปล่อยได้ทั้งร่างกายฮีปล่อยได้ทั้งภายในใจ ใจที่มีกิเลสอยู่ภายในนั้นก็รู้เท่าได้ปล่อยวางได้ทําลายได้นม่มีอะไรเหลืออสิ่งที่เหลือคืออะไรอนิจจิตบริสุทธ์รุ่นล้วนให้เห็นนกิกิกบริสุทธิ์รุ่นร้ว น, นเป็นยังไงนั่นแหละธรรมธทําล้่นร้วนทํ า, า, าอยู่ที่ไหนที่นี่ เ, เริ่มเป็นปสมารถที่ทําไปก็รู้อยู่แล้วว่ามีอยู่ที่ใจเกิดอยู่ที่ใจสัมผัสที่ใจใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นที่สถิต ข, ของธรรมทุกประเภทจนกระทั่งถึงมิมุติธรรมจะ นอกเหนือจากกิตนี้ไปที่ไหนไม่ได้อยู่ที่การน้นสมัยนี้ดังที่บุรุษตาพางผูดตาบอดพูดนะว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วกิเลสมันหมดเขตหมดสมัยหรือไม่หรือไม่ไมทําไมไม่พิจารณามันบ้างเฮ้กิเลสมันหมดหมายถ้าไม่ทําให้หมดมันไม่หมดนีอ่อันนี้ก็เหมือนการมรรคผลนิพพานถ้าไม่ทําให้หมดไม่หมดทําให้มีต้องมีทําไมจะมีไม่ได้เพราะนี่เป็นของจริงอยู่แล้วเฮะกิเลสมันยังสลายตัวไปได้ มรรคผลนิพพานความบริสุทธิงจิตน้สลายไปไม่ได้เป็นแต่เพียงกิเลสมันตัวปิ้นป้อนหลอวงพันมาหลอกมาต้มมาตุนมันหุ้มหอมมัดเรืองตึงตราไปหมดจนกระทั่งหาที่กระดิกไม่ได้เท่านั้นเองนั่นจึงหมุนตัวไปตามที่เลที่เลสหลอกไงมันก็เชื่อไปตามเอานรลกไม่มีมันก็เชื่อเอานาลกไม่มีมันก็เชื่อสวัสดิ์ไม่มีก็เชื่อนิพพานไม่มีมันก็เชื่อบาปไม่มีบุญไม่มีเชื่อไปหมดถ้าเป็นคนมายังกิเลสแล้ว เรื่องของธรรมคือความจริงไม่มีได้ยัางไงาเห็นอยู่รู้อยู่นี้สิ่งเหล่า น, นี้เป็นของจริงมาดั่งเดือยพระพุทธเจ้องค์ไหนตรัสรู้ตรัสรู้ของจริงนี้นั้นพะสิ่งเหล่า น, นี้มีอยู่เป็นเรียนว่าไม่มีหูมีตาให้ดูให้เห็นเท่านั้นและได้ยินเท่านั้นเองนะเมื่อได้รู้ได้เห็นแล้วปฏิเสธได้ลงคอเหรอฮะเรื่องยอมรับความจริงเลยพบชาติต่างๆมันมีแต่พบมนุษย์เท่านั้นหรือแม้ั้งแต่ที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อมันยังไม่มีแต่พบมนุษย์พบของสัต มันยังมีเยอะในวัดเรานี้ดูสิมันมีกี่ประเภทสัตว์น่ะมันแตกต่างกันอะไรบ้างเราก็ดูอยู่เลยเห็นอยู่แล้วอแยะก็เต็มมัดนี่เป็นพบเป็นชาติหนึ่งของเขานกก็เต็มมัดรกระรอกกระเจ้าเต็มมัดเหลือบยุงเต็มมัดมดอะไรเหล่านี้เต็มมัดนี่แต่และพบละชาติที่มองเห็นด้วยตาเนื้อมันก็มีอย่างนี้แล้วสิ่งที่ละเอียดกว่านี้ทำไมจะไม่มี ฮนะแม้แต่พบของสัตว์นี่ก็ยังมีส่วนหญาตัวนี้มีร่างเล็กร่างใหญ่ต่างกันอยู่อย่างนี้และที่มันนอกเหนือไปจากตาของเราที่จะเห็นนี้ทําไมันไม่มีทําไมมากยิ่งกว่านี้เป็นไหนๆห น, หนั่นสติปัญญามีปัญญาญานมีอืมเ อ, อิดจเด็ดออกจากจิตใจหมดแล้วมันทะลุไปหมดมันทําไมจะไม่เห็นทําไมจะไม่รู้แล้วทําไมจะไม่เชื่อ เ, อเป็นความจริงนี่แหละศาสนาองค์เอกที่ว่าโล ก, กวิถู รู้แจ้งโลกเนี่ไม่ว่าโลกไหนโลกยาบโลกละเอียดพบชาติใดของสัตว์ประเภทใดตลอดถึงพวกพูดผีปีศา์อะไรเหล่านี้ตั้งแต่ล้วนนะตั้งกต่เป็นพบเป็นชาติของมันแต่ละอย่างไมอย่างทั้งนั้นมีมาตั้งเดิมเราจะไปลบล้างไม่มีได้ยังไงสิ่งนี้เป็นความจริงตามหลักวิบากของศาตร์ที่ต้องไปเสวยชาติในพบน้อยใหญ่ของตนของตนนะใครจะไปลบล้างได้ ไม่มีใครรบกวนได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรูกจึงทรงสอนตามหลักความจริงสิ่งใดที่ไม่ดีใ ห, ให้สอนให้ละอืสิ่งนั้นไม่ดีสอนให้ละมันจะไม่เลยฉุดลากไปทางที่ดีคติที่ไม่เหมาะสมหรือคติที่เป็นทุกข์ท่านสอนอะไดที่ดีสอนให้บำเพ็ญล้วก็ทั้งถึงสุดยอดความหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่ต้องมา กลับมาเกิดในภพในชาติแบกทุกนี่ต่อไปนั่นแหละเป็นสิ่งที่ชอบยิ่งนะก็สอนให้เพื่อนนี้ผ่านนั่นเองอ่ะมันบริสุทธิ์ที่นี่จิตซึ่งเป็นตัววัตจักรเพราะอํานาจของกิเลสพาให้เป็นพาให้หมุนสนาดตัดกิเลสออกตัววัตจักรนี้ออกทั้งหมดจิตมันจะับหมุนไปไหนอีก<อ>เมื่อไม่มีเครื่องดึงดูดไม่มีเครื่องบังคับไม่มีเครื่องขับใสายให้มันตายกันตายได้ยังไงมันไม่ไป ถ้าเป็นธรรมร้วนๆเป็นจิตที่บริสุทธิ์ร้วนๆแล้วไม่มีอะไรมาดึงดูดอันนี้ก็ไม่ดึงดูดอะไรนะ้เห็นสิพระพุทธเจ้าสอนสอนในหัวใจของพวกเราทุกวั น, นไงอ๋อให้รู้สิทาไมจะไม่รู้ทำนี่เป็นปัจจุบันนะทำอยู่ตลอดเวลาคือไปไหนล้าสมัยไปไหนถ้าไม่ทําตัวของเราให้ล้าสมัยให้คึกตัวเองในตัวเองต่างหากและก็เป็นค่าสึกต่อธรรมเป็นค่าสืกตัวเองมีเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นค่าสึกไม่มีอะไเป็นธรรม ยูกับเราทุกคนเห็นป่ะก็เอาใจริงให้จังเลยพูดมาว่าฟันคันฟันนี่นี่นะ น, นี่นั่นจะว่างั้นเห็นไี่เห็นตาบอดหรือจะว่างั้นพระเจา้าเป็นศาสดาองค์เอกไม่ใช่ศาสดาตาบอดือ ม, มาหลอกโลกได้ยังไงสิ่งที่รู้แล้วเห็นนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้มาสอนโลกแล้วมันหายไปไหนมันสูญไปไหนให้จิเลีมันเยียบยัําพันายมันปิดหูปิดตาอะนักหนาสิ่งที่มีอยู่จึงไม่ยอมดูไม่ยอมเห็นนี่ อย่าไหวอย่างนั้นนะถ้ามันถึงที่ถึงถึงทําแล้วก็ถึงใจทุกอย่างกล้าพูดได้ทุกอย่างนั่นแหละสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นแล้วทำไมจะไม่กล้าแม้แต่เด็กไปพบเหตุการณ์อะไรอะไรอย่างนี้ไปค้านมันได้เหรอือก็มันเห็นด้วยตาของมันเองนี่แล้วพูดเป็นภาษาเดียวกันเขาพูดว่าไงเรื่องราวอะไรนี่แม้แต่เด็กก็ยังพูดได้อย่าง าอาถรรพ์อย่างฉัฉานผู้ใหญ่ไปค้านมานได้หรือมันดูถูกออกนี่ขอเป็นของจริงทำของจริงไปทานในจิตใจสิพระเจ้าเป็นองค์ศาสนาที่ว่าอาชะนัยเห็นไหมก็เพราะความรู้จริงเห็นจริงจริงทรงอาถรรพ์ปรกาศธรรมสอนโลกได้ทั้งสามแดนโลกธาตุในจำนวนสัตว์โลกนี่มีใครเป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถเป็นอาชะนายัยสอนโลกได้ทั้งสามเหมือนพระพุทธเจ้ามีไหมนั่นเอามาเทียบกันเลย แล้วเราทำของศ า, าสนามาสอนเราทำไมจะยอมให้กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาทุกเอียบุตรจนกระทั่งตั้งแต่บัต น, นี้จนกระทั่งตายเกิดประโยชน์อะไรนักปฏิบัติไม่คิดตัวเองพิจารณาตัวเองพิจารณาอะไรรฏิบัติทำทำอยู่ที่ไหนความโง่งมันอยู่ที่ไหนเอาลงไปตรงนั้นสิมันจริงมันจังสอนมูเพื่อนมาก็หนักหนาแทบล้มแทบตายหว่างไง คำเพียนเป็นยังไงการถึงไม่ได้เรื่องได้ล่าวอะไรนรื น, นตะทุบตะเงาอย่าง น, นั้นไม่ไเกี่ยวข้องกับตัวมันเลยแล้วมันจะไปเห็นตัวมันยังไงสอนสอนทุกนี่ทุกมุม สนเ่นเน้นสอนจริงรจริงเพราะฉะนั้นพาปฏิบัติยามาทำในเล่นในเหตุนนะ่ะมันเกลือนแผ่นดินอยู่แล้วเรื่องเล่นเล่นไม่ไม่ใช่ทําเรื่องเล่นเล่นเรื่องเล่นเล่นกับเรื่องหลกอกหลอกอันเดียวกันมันเป็นคู่ปปกันมันกลมคื่นกันเป็นอันเดียวกันพู้ปฏิบัติต้องให้จริงให้จังเลยเหลวหลายๆแล้วหลอกแลแหละได้เหรอ ทำรอแหละไม่มีทำพระพุทธเจ้าที่สอนว่าให้เรอแหละไม่มีเรี่ยเร่เรก็ไม่มีเหล่านี้มันเป็นเรื่องของยิ่ลใหญ่ทั้งนัง้นเราเนจะคุ้มยังจะชินยังจะตายใจกับมันอยู่หรออืมอ่นั่นเน่ยเหนื่อย